ัคําว่ากามาวจรจิตคือจิตที่ท่องเที่ยวไปตามกิเลสกามก็ได้หรือแปลว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปในวัตถุกรรมทั้งหลายก็ได้เลยเรียกว่ากามาวจรจิตหรือจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามะพบโดยมาก โดยมากคือจริงๆแล้วจิตเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีในพรหมอรูปประพรมจิตที่เป็นกามาวจรก็มีแต่ว่าโดยมากมันจะอยู่ในกามาวจรนี่แหละเพราะอะไรเพราะพรหมโดยมากก็มากด้วยการเข้าสมาบัตินี่นะก็เลยเรียกชื่อว่ากามาวจรจิตและอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะ เป็นชื่อที่ได้ตามวัตถุเนี่ยนะพ่อแม่หลายคนนะมีชื่อเพราะมีลูกนะชื่อชื่อชื่อบ า, บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยชื่อตามพ่อแม่บางคนเนี่ยมีชื่อตามลูกพ่อพ่อนั่นพ่อนี่แม่นั่นแม่นี่อนะไรทั้งหลายแหละบางทีก็เป็นชื่อตามเรียกตามลูกไปนะพ่อไอ้เขียวพ่ออะไรก็ว่าไปยัง <c oughs> <c oughs> ไงเนะ หรื อ, เ, อเขาบอกว่าเนื่องจากพวกนี้เป็นเรื่องของกามจิตใดที่มาเกี่ยวข้องมารับรู้กามอาศัยกามเกิดวนๆอยู่แถวๆกามจิตนั้นเรียกว่ากา ม, มาวจรจิตเขาเรียกว่าเรียกตามวัตถุเนีย่ยนะอาศัยวัตถุเป็นเอาตัวอารมณ์นะเป็นตัวเรียกเหมือนเหมือนอะไรเราเรียก วิญญาณเนี่ยนะโดยมาเรียกตามวัตถุใช่จากขู่วิญญาณเพราะจิตที่อาศัยวัตถุจากขู่สัมผัสนี่ก็เรียกตามวัตถุจากขู่สัมผัสสชาวเวทนาก็เรียกตามวัตถุนี้ก็เหมือนกันที่เรียกว่ากามาวจรจิตเพราะเป็นจิตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุกามทั้งหลายก็เลยเรียกว่ากามาวจรจิตเนี่ยนะอันนี้พูดถึงอันนี้ไ ด, ได้ได้ชื่อตามวัตถุเนี่ยนะชื่อที่ได้ตามวัตถุ ถ้าจิตใดที่เกี่ยวข้องกับฌานอย่างนี้นะจิตนั้นก็เรียกว่าฌานจิตเนี่ยนะจิตใดที่พ้นโลกนี่ก็เรียกว่าโลกุตรจิตเาเรียกว่าเรียกตามวัตถุนั้นๆเนี่นยนะ จิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามาก า, มาจิตทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่้าสิบสี่ดวงนะ่จิตเหล่านี้บางทีเขาเรียกว่าฐานนอยูปจจาระอันนี้แปลว่าใกล้ฐานะแปลว่าเหตุอุปจาระแปลว่าใกล้อ น, นันฐานะแปลว่าเหตุเนี่ยใกล้เหตุก็หมายถึงถึงผล การเรียกชื่อบางอย่างก็เรียกตามไอ้สิ่งที่มันใกล้เหตุนั่นแหละหมายถึงซึ่งหมายถึงผลก็ยกตัวอย่างว่าเช่นเตียงโหงเนี่นะถ้าพูดถึงเตียงโหงเนี่ยหมายถึงเตียงใช่ไงหมมันร้องก็หมายถึงคนที่อยู่บนเตียงนะคําพูดแบบเนี้เขาเรียกว่าฐานูประจาระใกล้ใกล้ฐานอ่ะนะใ ก, นนะใกล้ที่ตั้งอะ่ะแต่ไม่ใช่หมายถึงตัวตั้งอะ่ะไอ้เก้าอี้นั้นไม่ดีเลยอย่างเงี้ยนะพูดมากอย่างเงี้ยหมายถึงเก้าอี้ใช่ไหม คำพูดโดยอ้อมมันหมายถึงคนที่อยู่บนเก้าอี้นั่นพูดมากอย่างเงี้ยจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันได้ชื่อเรียกว่าชื่อตามใกล้ๆทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าฐานนยุปจาระคือคําพูดเนี่ยมี อ, อุปจาระนะคำพูดในภาษาบาลีเนี่ยมีคําพูดแบบมุขยะก็พูดตรงๆอย่างหนึ่งคําพูดแบบอุปจาระคือพูดเฉียดๆในอย่างหนึ่งนะก็คําที่เฉียดๆเขาก็ใช้ก็ไม่น้อยเลย คำพูดที่เฉียดเนี่ยเช่นชัดๆเลยนะบอกวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะนะบอกแปลว่าเขาได้รับอนิถารมณ์มาซึ่งเขาจริงๆเขาจะบอกว่าวันนี้เขาไม่สบายใจเนีย่ยนะเรียกว่าคําพูดแบบอ้อมๆแต่ก็ถือว่ารู้กันเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ภาษาชั้นสูงแล้วโดยมากจะพูดพูดอ้อมเป็นส่วนใหญ่เนีย่ยนะอย่างเขาบอกว่าเขาโกรธอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่สบายใจอย่างงี้ย ใช้สับไป <c oughs> ทั้งรูปราวจรจิตอรูปราวจรจิตก็โดยนัยเดียวกันนะคือพูดพูดถึงว่าจิต ท, ที่ท่องเที่ยวไปตามรูปประชานอรูปประชานโดยมากจิตเหล่านั้นก็เรียกว่ารูปราวจรจิตเป็นต้นต้นลงถามที่เขาว่า หลายคนเข้าใจว่าการมาวาจรจิตเนี่ยเป็นจิตไม่ดีท่านลองถามดิครับใครยกมือข<ม><ม>ครับการมาวาจรจิตดีหรือไม่ดีตกลงแปลที่ว่าตัวเราอยู่ก็ตัวเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง่างะไม่รงปรนไม่ตรงประเด็นไปะไม่ตรงประเด็นตรเรเด็นไม่ ต, ตรงประเด็นไม่ตรงไม่เขาน่ตเ็นไ่ตเดม่ระเนไม่ตรงปเด็นไ่ตง่งนะ่ตะ่เด็นไม่ ก, กระตเด <c oughs> ไร่งนง่ะ่เะดมนมนงไงดะเ คำว่ากามาจรจิตนะโคตรภูยังเป็นกามาวจรโคตรภูจิตนะยังเป็นกามาวจรแต่ทีนี้ตัวคําว่ากามาวจรเนี่ยเป็นศัพท์ที่จะต้องอธิบายแยกประเภทจิตอีกครั้งหนึ่งเหนไแยกเป็นอักุศลเป็นอเหตุกะเป็นกามาวจรโสภณะกามาวจรโสภณะยังแยกไปอีกเนี่ยนะก็ค่อยๆว่าไปตามนั้นไป ทีนี้มาพูดถึงโลกุตรจิตบ้างนะจิตที่ชื่อว่าโลกุตระเพราะอัฏฐาว่าข้ามขึ้นจากโลกกล่าวคือจากอุปาทานขันโดยความไม่มีอาสวะมันคําว่าโลกุตรจิตหมายถึงมรรคจิตส่วนผลจิตชื่อว่าโลกุตระเพราะอัฏฐาว่าข้ามขึ้นแล้วจากโลกนั้นอีกนัยหนึ่งแม้มรรคจิตและผลจิตทั้งสองกับนิพพานชื่อว่าโลกุตระเพราะอัฏฐว่าสูงกว่าหรือยิ่งกว่าโลกด้วยอํานาจคุณ ค, คือคือคุณโดยคุณนะเนี่ยนะคนเนี่ยาตามที่กล่าวแล้วคือดีกว่าโลกยิยเนี่ยนะแยกศัพท์ถ้าถ้าเราจะแยกมันนะเราจะวิเคราะห์ถึงคำว่าโล ก, กุตระ โลกะนี้โดยศัพท์ก็แปลว่าแตกทำลายหรือสลายนะแตกสลายแตกทำลายแตกสลายทั้งหลายแหละสิ่งที่ต้องแตกสลายหรือแตกทำลายหมายถึงอะไรก็เอาคุ้นเคยที่เราคุ้นกันก็คืออุปาทานขันห้า แต่จริงๆแล้วขันห้าเนี่ยทำไมท่านจึงเอาคำนี้มาเพราะเป็นคำที่คุ้นเคยกันโดยมากแต่จริงๆอะคำว่าโลกเนี่ยหมายถึงสังขารโลกสังขารโลกเหล่านี้จะเรียกว่าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบแปดก็ได้เนี่ยนะอาจจะเอาตัวเลขตรงไรตรงหนึ่งมาอธิบายได้หมดเลยแต่ท่านจะนิยมเอาเลข5าเนี่ยขึ้นมาไม่รู้สวยยังไง น, นะ ก็อุปาทานขันท่เนี่ยนะก็จะเอาเอาหนึ่งตัวอย่างมาให้ดูนะจริงๆและอาจจะใช่อย่างอื่นมาที่บายก็ได้ทายตั้งแต่น1ถึง18เนี่ยนะอาจจะเอาอยางใดยางหนึ่งแต่กับมักจะเอาอุปาทานขันมาที่บายเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะในคํคำสอนเนี่ยนะแสดงขัน5ขัน5่าประกอบไปด้วยรูปกับนามรูปนี้หนึ่งนามนี้4แสดงว่าสัตว์นี้งมงายกับนามธรรมามาก เพรจึงจําแนกนามมาทำเนี่ยมากเนี่ยนะแสดงว่ามีาวิชาในฝ่ายนามเนี่ยมากพระอง์ก็เลยเน้นจําแนกที่เป็นฝ่ายนามมากเพราะนั้นคําว่าโลกุตระเนี่ยนะก็โลกะบวกอุตระก็เป็นโลกุตระตัวนี้แปลว่าข้ามข้ามในที่นี้หมายถึงว่าเป็นจิตที่ไม่ฉาบทาในาในวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเลยเนี่ยนะ โลกุตระจิตเนี่ยเป็นจิตที่ข้ามจากกามวัตถุกามกิเลสกามข้ามพ้นจากโลกิยาธรรมทั้งมวลเพราะเป็นจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นจิตที่ข้ามพ้นจากอุปาทานขันห้าด้วยเนี่ยนะถ้าคำว่าข้ามพ้นจากอุปาทานขันห้าหมายถึงข้ามพ้นโดยที่จะนำปฏิสนธิต่อไปข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะด้วยอนุภาพของโลกุตระอันนี้ โลกุตรจิตจึงเป็นจิตข้ามโลกเนี่ยนะจิตที่ข้ามโลกเหล่านี้เนี่ยนะถ้าภาษาธรรมะท่านบอกว่านี้เป็นความสุขมากเนี่ยนะเมื่อไหร่นะที่ที่สับทั่วไปใจนึกรักจิตชนิดนี้ขึ้นมานะมีฉันทาว่าจิตที่ข้ามโลกเนี่ยเป็นเป็นความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะสงบระงับจากสังขารทั้งมวลเนี่ยเป็นความสุขเป็นความดีอย่างแท้จริง โลกุตระก็คือจิตที่ข้ามโลกหรือเป็นจิตที่ไม่ถูกฉาบทาด้วยอาสวะนี่นะโล ก, กุตระจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่มีอาสวะนี่นะไม่เป็นอารมณะปัจจัยของอาสวะเลยแต่ถ้าเป็นโลกิยะจิตทั่วทั่ออาาวไปอ่เป็นจิตที่เป็นอารมณะปัจจัยของอาสวะนะเป็นจิตที่เป็นอารมณะปัจจัยของอุปาทาน ไม่ใครจอดรถขวางเขาไหมรถรถปิกอัพคันใหญ่นะช่วยไปถอยให้เขาที ทั้งหมดที่กล่าวไปนี่คือเน้นกล่าวอธิบายตัวจิตทั้ง4ประเภทนะคือกามาวจรจิต 2. รูปาวจรจิต 3. อรูปาวจรจิต4โลกุตรจิตถามว่าย้อนอีกครั้งหนึ่งกามาวจรจิตหมายความว่าจิตที่ท่องเที่ยวไปตามวัตถุกามและกิเลสกามอย่างที่ี่นนะรูปาวจรจิตก็คือจิตที่ท่องเที่ยวไปตาม รูปเนี่ยนะรูปประชานหรือรูปประพบอรูปอรูปราวจรจิตก็นยะเดียวกันเนี่ยนะคือท่องเที่ยวไปในรูปราวอรูปราวจรพบเนี่ยนะหรืออรูปราวจรฌานทีนี้ส่วนโล ก, กุตระจิตก็คือจิตที่ข้ามจากข้ามพ้นจากอุปาทานขันทเนี่ยนะไม่ไม่ถูกกิเลส ต, ตัณหาฉาบทาเอาไว้และก็ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอะไรเลย ทนีก็มาเจาะลึกถึงคําว่ากามาวจรจิตไปเลยว่ากามาวจรจิตนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสีสประเภทอีกคือโดยจําแนกเป็นกุศลอย่างหนึ่งอกุศลอย่างหนึ่งวิบากอย่างหนึ่งและกิริยาอีกอย่างหนึ่งนี่ยนะ ตัวกามาวจรจิตนี่ห้าสิบสีก็แบ่งเป็นอกุศลและจิตสิบสองอะเหตุกะจิตสิบแปดกามาวจระสพนะจิตเอกยี่สิบสี่ อกุศลจิต12ก็แบ่งออกเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิตสองแล้วก็โมหะเจตมูลจิตอีกสองส่วนอเหตุกะจิตนี้แบ่งออกเป็นอะไรอกุศลวิบาก7ตอเตุกะกุศล วิบาก8แล้วก็อเหตุกะกิริยาเอก 3. เนี่ยนะก็เลยรวมเป็นอเหตุกะจีสิบส่วนกามาวัจรโสโผนจิต24ิี่นี้ก็แบ่งออกเป็นเป็นอะไรอ่นะเป็นกามาวัจระกามา วาจระกุศล8กามาวาจระวิบาก8เนี่ยนะกามาวจระกิริยา8อีกรวมเรียกย่อๆว่ามหากุศล8เนี่ยนะมหาวิบาก8แล้วก็มหากิริยาอีก8 เนี่ยนะ อ, อากุศลก็ถ้าแยกศับนะอกุศลก็แปลว่าหมายถึงจิตที่มีมีโทษใช่ไหมแล้วก็เป็นจิตที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ต่อไปส่วนอาเหตุตุกะตัวนี้เนี่ยแปลว่าไม่มีเหตุหกประกอบเนี่ยนะแปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุ6กประกอบอา่าไม่มีเหตุหกคืออะไรอากุศล เหตุ3กุศลเหตุ3อาอกุศลเหตุ3ก็คืออะไรโลภะโทสะโมหะเนี za, ย่ยนะ ak osa, oh อโลภะอโทสะอโมหะเนี่ยนะมันคำว่าเหตุตุกัจิตนี้แปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุหกเหล่านี้ประกอบแม้แต่หน่อยเดียว ไม่ใช่แปลว่าจิตไม่มีปัจจัยนะจิตเหล่านี้มีปัจจัยแต่ไม่มีเหตุุปัจจัยประกอบเลยเรียกว่าอาเหตุตุกจิตนิยามของคําว่าเหตุเอางี้นะฟังให้ใหดเีเราเราจะคุ้นเคยมากกับคําว่าเหตุกับปัจจัย บางทีคาว่าเหตุกับคาว่าปัจจัยเนี่ยใช้แทนกันในความหมายใช้แทนกันก็มีแต่อีความหมายหนึ่งคาว่าเหตุหมายถึงเหตุหกล็อกว่าเหตุหกนี้คำว่าปัจจัยหมายถึงปัจจัยยี่สิบสี่ไอคำว่าอเหตตกจิตแปลว่าเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุหกนี้ไม่ใช่แปลว่าจิตไม่ได้เกิดจากปัจจัยมันจิตนั้นเกิดจากปัจจัย แต่จิตนั้นไม่มีเหตุหประกอบเลยเลยเรียกจิตที่ไม่มีเหตุหประกอบว่าอาเหตุตุกจิตเนี่ยนะถ้าพูดทั่วไปบอกว่าจิตไม่มีรากอันนั่น เ, เหตุ6กนี่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามูลแปลว่าจิตไม่มีมูลก็ได้มูลนี่เท่ากับรากแปลว่าจิต18บปดวงนี้เป็นจิตที่ไม่มีรากอะไรเลยอธิบายรากนนไม่อธิบายผล ใช่ถ้าถ้าคนปลูกต้นไม้นะ่าจะมองบอกว่าต้นไม้กลุ่มยืนต้นกับต้นไม้ไม่ค่อยยืนต้นต้นไม้ชนิดที่ไม่ยืนต้นเนื่องจากรากมันน้อยรากมันเล็กรากมันลงไม่ลึกอย่างเงี้ยนะจจยก็ก็เรียกว่ารากไม่ค่อยดีอนะจิตชนิดนี้ก็เหมือนกันมันไม่มีรากมากมันไม่มีรากเลยก็ได้แต่ว่าเป็นจิตที่เกิดจากปัจจัยแต่ไม่ได้แปลว่าจิตไม่ได้เกิดจากปัจจัย พังคำว่าเหตุกจิตแปลว่าจิตที่ไม่มีเหตุหกประกอบเนง่ายดีมันมีแ่กีโลสโมหะพอนะแหมพิเศษบอกว่ามีสามัน้รวมไปก็มีไม่มีอาโลพาอะโทสอาโมหะด้วยอาพูดง่ายๆามันไม่โง่แต่แปลว่าไม่ได้แปลว่าฉลาดเลยคือโมหะทั้งหมดมันไม่โง่หรอกแต่มันไม่ฉลาด